เรื่องทรงอนุญาตผ้าปะเมื่ออันตรวาศขาดทะลุส4 8สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นกรุงเวสาลีตามพระอัทยาศัยแล้วเสด็จจาริกไปทางกรุงพาราณสีเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงพาราณสีทราบว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปาอิสิป ต, ตนะมลึกขไายวรร์เขตกรุงพาราณสีครั้งนั้นอันตรวาสกของภิกษุรูปหนึ่งขาดทะลุภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตผ้าสามผืนคือสังคาติสองชั้นอุตราสองชั้นเดียว อันตรวาสกชั้นเดียวก็อันตรวาสของเราผืนนี้ขาดทะลุอย่ากระนั้นเลยเราควรท่าผ้าปะบริเวณโดยรอบจะเป็นสองชั้นตรงกลางเป็นชั้นเดียวจึงได้ท่าผ้าปะพระผู้มีพระภาคเสด็จไปตามเสนาสนะทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นกําลังท่าผ้าปะ จึงเสด็จเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายตรัส ด, ดังนี้ว่าเธอทำอะไรภิกษุภิกษุนั้นกราบทูลว่าข้าพระองค์กำลังท่าผ้าปะพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละภิกษุดีแล้วที่เธอท่าผ้าปะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสำหรับผ้าใหม่และผ้าเทียมผ้าใหม่เราอนุญาตสังคาติสองชั้นอุตราสงชั้นเดียวอันตรวาศกชั้นเดียวสำหรับผ้าที่เก็บไว้ค้างฤดู เราอนุญาตสังคาติสี่ชั้นอุตราสงสองชั้นอันตรวาสกชั้นเดียวภิกษุพึงธรมอุตสาหะในผ้าบางสุกุลได้ตามต้องการหรือในผ้าที่เก็บมาจากร้านตลาดภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผ้าปะการชุนรังดุมลูกดุม การทำให้แน่น